อย่างสมณพราหมณ์บางพวกบริโภคปัจจัยสี่ที่เขาถวายด้วยศรัท ธ, ธาแล้วก็กลับเลี้ยงอาชีพผิดด้วยเดรัจฉานวิชาเช่นอาชีพอะไรทายอวัยวะทายนิมิตรทายอุกบาททานายฝันทายลักษณะทํานายหนูกัดผ้ารมพิธีบูชาผาไฟพิธีเบิกแววนฟ้าเวียนเทียนทาพิธีสั์แกลบบูชารับสั์ ร, ราบูชาหรือว่า สัตข้าวสารบูชาแกเรียกว่าทําอาชีพรับเจ้ารัที่พิธีกรรมทั้งหลายแลยเนี่ยนะพระองค์ไม่ทําแบบนั้นเนี่ยนะพระองค์ไม่ทําเพราะไม่ไม่เลี้ยงชีพที่ผิดเพราะพระองค์อยู่ในสัมมาอาชีพไม่เหมือนกับสมณะพราหมณ์บางพวกที่อาชีพทํานายลักษณะต่างๆเนี่ยนะประกอบอาชีพที่ไม่ใช่ไม่ใช่สัมมาอาชีพไม่ใช่อาชีพที่อยู่ในศีลในธรรมเนี่ยนะถึงคนอื่นเขาจ ะ, จะเรียกว่าอะไรนะ คือไม่เป็นไปตามธรรมินัยของพระพุทธเจ้าถึงประชาชนจะยอมรับก็ช่างแต่ก็ถือว่าเป็นความผิดเช่นอาชีพโน่นแหละเรียกว่าดูเริ่ตราญาทัพอาชีพพยากรจันท ร, รคา้าสุ ร, ยริยค้าอาชีพพวกพยากรฝนดีฝนแรงหรือว่าพวกให้เลิกทั้ทงหลายเนี่ยอาชีพให้เลิกอาวาหะมงคลจะแตง่งต้องแตง่งเช้าแต่งสายแต่งบ่ายแตงย่แตงค่ําอะไรเป็นต้นไม่มี หรืออาชีพผิดๆทำพิธีบนบานสารกล่าวไร่มนขับผีเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ไม่มีในพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์จึงเป็นผู้ที่มีกายก็บริสุทธิ์เพราะเว้นจากความชั่วทางกายพระองค์เป็นผู้มีวจีบริสุทธิ์เพราะเว้นจากความชั่วทางคําพูดพระองค์มีอาชีพที่บริสุทธิ์เพราะเว้นจากอาชีพที่ไม่บริสุทธิ์พระองค์เป็นผู้มีศีลเนี่ยนะ พรรองค์เป็นผู้มีศีลพระองค์จึงไม่กินแหนงแคลงใจพระองค์เองเลยพันศีลของพระองค์เนี่ยนะจึงทำให้พระองค์เนี่ยปราโมทอยู่หนึ่งๆปราโมทเป็นปกติเพ ร, ะราะศีลที่เป็นกุศลกุศลศีลศีลที่ไม่มีโทษทางกายวาจาและอาชีพนำมาซึ่งความปราโมทปราโมทนำมาซึ่งปีติปีติก็นำมาซึ่งปัสสธิปัสสธิก็นามาซึ่งโศกโศ ก, กนมาซึ่งสมาธิสมาธินามาซึ่ง ยถาภูตยานทัศนะเนี่ยน ะ, น ะ, นะเพราะฉะนั้นความที่พระองค์เป็นผู้มีศีลจึงรองรับสมาธิต่างๆจึงรองรับพยานต่างๆจึงรองรับคุณธรรมต่างๆพันศีลของพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่หนักแน่นและมั่นคงบางนัยอธิบายว่าพระองค์มีศีลดุดแผ่นดินตั้งมั่นไม่หวั่นไหวประดุดแผ่นดินดุดขุนเขาสิเนรุมันศีลของพระองค์จึงรองรับ พระคุณอย่างอื่นๆรองรับฌานรองรับอภิญยาทุกชนิดรองรับมรรครองรับอริยผลเนี่ยนะรองรับอาศาธรณญาณรองรับพระคุณอื่นๆอีกหาประมาณไม่ได้เนี่ยนความที่พระองค์เป็นผู้มีศีลเนี่ยนะทีนี้ใช่แต่พระองค์จะมีศีลเท่านั้นพระองค์ก็ยังมีอินทรีย์สังวรคือพระองค์ก็มีตาเหมือนคนอื่นแต่พระองค์ไม่เห็นไม่ได้ดูเพื่อเจริญราคะเจริญ โสเนี่ยนะพระองค์ไม่ได้ดูเพื่อชอบดูเพื่อชังพระ อ, องค์มีหูแต่ก็ไม่ได้ฟังเสียงเพื่อชอบเพื่อชังมีจมูกก็ไม่ได้ดมเพื่อชอบเพื่อชังรู้กลิ่นอ่าเรียกว่ารู้มีจมูกรู้กลิ่นมีลิ้นรู้รสมีกายรับ ก, ก, รกระทบสัมผัสมีใจคิดเหมือนคนอื่นนี่แหละแต่ไม่มีตาเพื่อจเจริญอภิชากับโทมนัสไม่ได้มีตาเพื่อโลภเพื่อโกรธอยู่ด้วยความลุ่มหลงไม่ได้มีหูเพื่อโลภเพื่อโกรธเพื่ออยู่ด้วยความ ลุ่มหลงไม่ได้มีจมูกเพื่อโลภเพื่อโกรธและลุ่มหลงไม่ได้มีลิ้นเพื่อเสริมความโลภความโกรธหรือความลุ่มหลงงมงายไม่ได้มีกายเพื่อความโลภความโกรธความลุ่มหลงและงมงายเนี่ยพระองค์ไม่ได้มีใจคิดเรื่องที่เลวไหลไร้สาระไม่มีประโยชน์พระองค์มีตาแต่ตาของพระองค์ปราศจากราคะและโทสะมั น, นพระองค์จึงไม่มีสายตาที่มองด้วย โลภะ ค, คือมองแล้วสูบเข้ามาวันนั่นของเราเนี่ยนะสูบด้วยโทรสารแบบพ่นไฟเนี่ยนะพ่นควันไปก่อนพ่นพิษด้วยโทรสารหรือ ว, ว่าพ่นไฟและเผาไปหมดก็ไม่มีหรือแบบมีสายตามีตาเนื้อแต่บอดตาปัญญานี้ไม่มีมันพระองค์เนี่ยลืมตามองเห็นมีศาธกะสัมปชัญญะเนี่ยนะเห็นแล้วว่าเห็นมีประโยชน์อย่างไร นะการเห็นเหล่านั้นเนี่ยนะมีประโยชน์อย่างไรทำไมจึงควรเห็นอะไรควรเห็นและอะไรไม่ควรเห็นอะไรควรดูอะไรไม่ควรดูมันอินทรีสังวรของพระองค์นั้นสาเร็จด้วยสติสัมปัญญานะโดยเฉพาะสาสกะสัมปัญญพระองค์รู้ว่าอะไรมีเป็นประโยชน์ของการเห็นถ้าเห็นแล้วจะเสื่อมประโยชน์อย่างไรเนี่ยนะการฟังเนี่ยอย่างฟังอย่างไรเรียวกว่าฟังสิ่งที่มีประโยชน์ฟังอย่างไรแล้ว เสื่อมประโยชน์รู้กลิ่นรู้กลิ่นชนิดไหนแล้วมีประโยชน์กลิ่นชนิดไหนไม่มีประโยชน์รู้รสก็รู้ว่าอาหารรสอาหารอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์รับกระทบสัมผัสก็รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์ความคิดเนี่ยคัดสรรได้ว่าอะไรเป็นความคิดที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์กําจัดสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ทวารดากําจัดสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ทวารหูกําจัดสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายและ ทวานใจเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะสิ่งใดที่ก่อให้เกิดราคะโทสะและโมหะสิ่งนั้นเรียกว่าไม่มีประโยชน์เพราะเป็นพิษเป็นทุกข์เป็นโทษทั้งในปัจจุบันและต่ อ, ต, อต่อไปพระองค์กําจัดพิษภัยทุกโทษเหล่านี้ด้วยศาสกะสัมปชัญญะและพระองค์นี้มีโคจรสัมปชัญญะเนี่ยนะโคจรเนี่ยนะดูอย่างไรเป็นการดูด้วยอะไรดูด้วยเมตตาดูด้วยกรุณามุทิตาอุเบกขาดูด้วยสมถะเล วิปั ส, สนาเ น, นี่ยนะหมายคำว่าเมื่อเห็นแล้วต่อด้วยสมถะและวิปัสนาเมื่อได้ยินแล้วต่อด้วยศีลสมถะวิปัสนารู้กลิ่ น, แ ล, แ, ลนแล้วก็ต่อด้วยศีลสมถะวิปัสนารู้รสแล้วก็ต่อด้วยศีลสมถะและวิปัสนาเนี่ยนะรู้รับกระทบสัมผัสแล้วก็ต่อด้วยสมถะแล้ววิปัสนาคิดนึกขวานใจก็เป็นศีลสมถะและวิปัสสนาเพราะพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ใช้ตาเพื่อเจริญคุณธรรมทั้งปวง ตาของพระองค์ไม่ได้เป็นสิ่งที่ตอบสนองราคะโทสะและโมหะไม่ได้เป็นเครื่องมือของราคะโทสะและโมหะแต่เป็นตาที่เป็นเครื่องมือของศีลสมถะวิปัสนาเป็นตาที่รองรับคุณธรรมทั้งปวงเนะนี่ยนะพระพระองค์เนี่ยมีตาเช่นคนอื่นแต่พระองค์ไม่มีกิเลสเช่นกับคนอื่นเพราะอะไรเพราะพระองค์เนี่ยฝึกตาเสร็จแล้วเนี่ยนะก็ฝึกตาฝึกใช้สายตาใช่หมอ้าวฝึกยังไงฝึกตา ฝึกตากันนะฝึกนั่งหลับตาอย่างเดียวบอกหมายก็คือหมายว่าเมื่อตามองเห็นฝึกคิดยังไงให้เป็นศีลเนี่ยนะเมื่อตามองเห็นวัตถุวัตถุที่เห็นเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งความมีศีลก็ได้เป็นที่ตั้งแห่งความทุศีลก็ได้สิ่งที่เห็นเป็นที่ตั้งแห่งความฟุ้งซ่านก็ได้เป็นที่ตั้งแห่งความสงบก็ได้สิ่งที่เห็นเป็นที่ตั้งแห่งความโง่เขลาหลงงมงายก็ได้เป็นที่ตั้งแห่งปัญญาก็ได้เนั้นสิ่งใดที่เป็นที่ตั้งแห่งอ ความโลภความโกรธหรือความโงโ่เขลาลงงมงายพระองค์ก็กําจัดสิ่งเหล่านั้นพระองค์จึงดํารงอยู่ด้วยโคจรโคจรอยู่ในสมถะและวิปัสนาพระองค์รู้ว่าอะไรควรดูไม่ควรดูสิ่งใดที่ก่อให้เกิดอภิชาและโทมนัสสิ่งนั้นไม่ควรดูเสียงใดที่ก่อให้เกิดอภิชาและโทมนัสสิ่งนั้นไม่ควรฟังสิ่งใดที่ก่อให้เกิดอภิชาและโทมนัส สิ่งนั้นไม่ควรดมไม่ควรรับรู้รถใดที่ก่อให้เกิดอภิชาและโทมานต์รถนั้นไม่ควรบริโภคสัมผัสใดที่ก่อให้เกิดอภิชากระทอมนั์สัมผัสเหล่านั้นไม่ควรสัมผัสเรื่องที่คิดเรื่องใดๆที่ก่อให้เกิดอภิชาและโทมนั์ก็ไม่นึกคิดในเรื่องทั้งหลายเหล่านั้นเพันคนพระองค์เป็นผู้ที่ปิดตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งสิ่งเหล่านี้เช่นกับแผลอนะ สมมติว่าทวารตาเนี่ยที่เห็นเนี่ยนะเช่นกับแผลเช่นติดอักเสบมาเช่นเป็นโรคตาแดงอ่ะฉันใดอ่าอักเสบทางใจก็เหมือนการเห็นแล้วก็อักเสบทางใจอยู่ตั้งหลายวันเนี่ยนะฟังเสียงบางเสียงแล้วก็อักเสบทางความคิดอยู่ตั้งหลายวันพอเห็นนั่นแหละจึงเก็บมาคิดก็วงั้นนะนะเพราะได้ยินนั่นแหละจึงเก็บมาคิดเนี่ยนะเขาบอกว่าทวารที่มันก่อให้เกิดความนึกคิดมากก็ว่าทวารเห็นกับทวารฟังเนี่ยแหละทวารเพื่อเห็นคือตาเนี่ยนะ เพราะเห็นนั่นแล forward, หละก็เลยอักเสบใจอยู่ตั้งหลายวันหลายเดือนแล้วก็หลายปีเนี่ยนะบางทีคําบางคํำนี่แหมอักเสบทวารหูเนี่ยนะอักเสบใจนะหลายวัห น, ห, น ห, ลหลายเดือนแล้วก็หลายปีบางเรียกว่าการเห็นบางอย่างผูกเวรตลอดชาติเนี่ยนะแล้วก็ตลอดไปก็มีเนี่ยนะการได้ยินบางอย่างก็ผูกเวรตลอดชาติแล้วก็ตลอดไปก็มีเพราะการเห็นบางอย่างก่อให้ผูกเวรคือ ปาณาติบาตการเห็นบางอย่างก่อให้ก really ่อเวนคืออธินนาทานการเห็นบางอย่างก่อเวนคือกาเมสุมิจฉาจาร์เห็นเสร็จแล้วก็ก่อเวนคือมูสาวาตก่อเวนคือเดิมสุราและเมรัยพันการเห็นที่ก่อเวนการได้ยินที่ก่อเวนก็คือการเห็นการได้ยินเป็นต้นที่นำมาซึ่งความเสียศีลที่นำมาเส่งความทุศีลพระองค์เนี่ยปิดตาไม่ให้สายตาของพระองค์จึงไม่ได้มองเพื่อทุศีล หูของพระองค์ไม่ได้ฟังเพื่อทูศีลเป็นต้นแต่การเห็นเพื่อเจริญศีลการได้ยินเพื่อเจริญศีลการรู้กลิ่นรู้รสรับกระทบสัมผัสเพื่อเจริญศีลการนึกคิดเพื่อการเจริญศีลทั้งหลายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นะพระองค์นั้นไม่มีการเห็นเหล่าใดที่จะทําให้จิตฟุ้งซ่านถามวาเพราะอะไรเพราะเป็นการเห็นที่ก่อให้เกิดสมาธิเนี่ยนะนะการฟังที่ก่อให้เกิดสมาธิการ รู้กลิ่นรู้รสรับประทบสัมผัสเป็นต้นที่ก่อให้เกิดสมาธิเราถ้าอ่านพระไตรปิฎกเรียนพระไตรปิฎกมาเยอะเนี่ยจะรู้ว่าภาพที่เราเห็นบางอย่างควรมณสิการอย่างไรใจจึงจะไม่ฟุง้งซ่านเสียงที่เราฟังคําที่คนอื่นเขาพูดกับเราเราจะคิดยังไงกับเสียงเหล่านั้นโดยที่ใจเราไม่ฟุง้งซ่านไม่ตกอยู่ภายใต้อํานาจความโกรธเป็นต้นเนนะ ทุกทวารเนี่ยนะเขาจะตบจะตีเราเป็นต้นคิดยังไงใจจึงจะไม่โกรธนะเพราะนั้นจิตจึงจะไม่เป็นบาปในทวารทั้งหลายมันก็เป็นเรื่องของการฝึกฝึกตาก็ศีลเป็นเครื่องฝึกสมถาวิปัสสนาเป็นเครื่องฝึกเนี่ยนะฝึกหูนะศีลสมถาวิปัสสนาเป็นเครื่องฝึกฝึกจมูกฝึกลิ้นฝึกกายแล้วก็ฝึกใจหรือถ้าเป็นพวกเราทั้งหลายที่จะเจริญรอยตามก็ฝึกด้วยอะไรฝึกด้วยอธิตะปริยายสูตรเป็นต้นเนี่ยนะ ฝึกด้วยทิตะปริยสูตตาเป็นของรอนเนี่ยนะถ้าหากว่าเราดูสิ่งนี้จะก่อให้เกิดบาปอย่างนี้ตาบอดไม่ดีกว่าหรือเนี่ยนะถ้าฟังหูฟังหาเรื่องขนาดนี้หูหนวกไม่ดีกว่าหรือเนี่ยนะถ้าจมูกหาเรื่องยงแสหาเรื่องอย่างเงี้ยเนี่ยนะจมูกเสียไม่ดีกว่าหรือจมเนี่ยนะเป็นไซนัดตลอดไปไม่ดีกว่าหรือถ้าจมูกหาเรื่องแบบนี้เนี่ยนะาลิ้นหาเรื่องแบบนี้ลิ้นจระเข้ดีกว่ามั้งเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ากายหาเรื่องแบบนี้เป็นอามาเพฤกอามาพาดไม่ดีกว่าหรือเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้เป็นตกนรกเพราะเหตุทั้งหลายเหล่านี้เพราะฉะนั้นก็ใจก็เหมือนกันไม่ได้นอนแสหาเรื่องคิดหาเรื่องไปเรื่อยเนี่ยนะก็ไม่นี้ทํำยังไงใจจะไม่เป็นบาปเนี่ยนะทำไมทวานตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ก่อให้เกิดบาปและอกุศลพวกนี้อยู่ที่การฝึกศีลเป็นเครื่องฝึกสมถะเป็นเครื่องฝึกวิปัสสนาเป็นเครื่อง ฝึกเอาทีนี้ถ้ามันตกบ่อยๆเพราะหลุมหลุมบาปทางความคิดเนี่ยแมแต่ละหลุมมันใหญ่เลือเกินเนี่ยทำไงดีสมทานสิตั้งใจก็บอกว่าสติสัมปชัญญะเป็นเครื่องให้รักษาศีลทางกะทางทวารตาหูจมกูกเล่นกายใจประสบความสำเร็จก็ตั้งไว้ว่าการเห็นของเราจะต้องเป็นการเห็นที่มีประโยชน์การเห็นของเราจะต้องเป็นการเห็นที่สัปปายะการเห็นที่ เริญด้วยสมถะและวิปัสนาและต้องไม่เผลอเร่อเนี่ยนะจะต้องไม่เลือเรือนโง่เขลาและงมงายจะต้องมีสติมีปัญญาทุกทวารเห็นทวารได้ยินจะต้องตั้งเอาไว้ก่อนมันจะต้องมีข้อมูลที่ให้ก่อให้เกิดสติสัมปชัญญะข้อมูลเรื่องศีลสมถะและวิปัสนาศึกษาให้มีเพียงพอเรียนจนเพียงพอเรียกว่าเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะเห็นแล้วไม่เผลอเสียเสียทรัพย์เนี่ยนะ ได้ยินแล้วไม่เผลอเสียอริยศัพย์ต้องศึกษาเรื่อง ส, สัทธาศีนฮิริโอตปะสุตตะจากขา้าปัญญาให้มากๆ ศึกษาสิ่งเหล่านี้จนช่ำชองอยู่ในใจมันไม่มีการเห็นเหล่าใดที่จะทําลายศรัท ธ, ธาศีลฮิริโอตปะสุตตะจากะปัญญาไม่มีเสียงเหล่าใดที่จะมาทําลายศรัท ธ, ธาศีลฮิริโอตปะสุตะจากะปัญญาไม่มีทวานตาหูจมูกลิ้นกายใจทวานเหล่าใดที่จะทําลายอริยทรัพย์ไม่มีทวานเหล่าใดที่จะทาลายมงคณจะไม่ไม่นเอาทวานเหล่านั้นเป็นที่ตั้งแห่ง อับประมงคลตั้งเอาไว้เลยว่าทาวารทั้งหลายเหล่านี้จะไม่เป็นที่ตั้งแห่งอนน ะ, อะล่วงเป็นเหตุให้ล่วงอักขุสรกรรมมาบททั้งหลายทาวารทั้งหลายเหล่านี้ตั้งไว้เลยว่าจะไมะ่ไม่ส่งเสริมวิปลาสเป็นต้นแต่ในทาวารทั้ง6กตั้งไว้เพื่อเจริญสติปัฏฐานเนี่ยนะเพราะฉะนั้นทรัพย์ของเราคือสติปัฏฐานเป็นต้น นันบุคคลที่จะสำเนียกศึกษาใส่ใจเรียนรู้ปฏิบัติตามคำสอนอั้นทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยทุกครั้งที่เห็นได้ยินทำอย่างไรจะใส่ใจในคำสอนมณสิการคำสอนและปฏิบัติตามคำสอนให้มากที่สุดที่จะมากได้ในทุกทุกทวารและก็ทุกอารมณ์เนี่ยนะตั้งโยนิโสมมณสิการใส่ใจ เอาไว้ให้บ่อยให้มากแล้วก็ให้เยอะว่าทวารทั้งหลายไม่เกื้อกูลต่อบาปและอกุศลตรงกันข้ามเป็นทวารที่ก่อให้เกิดกุศลพระพุทธเจ้าจำแนกแยกแยะว่าการเห็นการเห็นที่ควรเห็นไม่ควรเห็นควรฟังไม่ควรฟังควรควรรู้ควรทราบด้วยจมูกลิ้นกายและไม่ควรทราบควรคิดและไม่ควรคิดเห็นสิ่งใดแล้วกอนนำมาซึ่งชนวนบาป น, นะเอาไหมเท่ากับทวารตาหูจมูกลิ่นกายใจที่ไหลมาสู่บาปก็เท่ากับตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านี้เป็นชนวนบาปนั้นก็พยายามที่จะตัดชนวนไม่ให้ระเบิดคือบาปอากุศลธรรมนั้นกำเริบเสบสางขึ้นมาในจิตใจก็พยายามที่จะตัดกระแส บ, บาปที่ไหลมาทางทวารตาหูจมูกเลนสนกายใจนั่นนะ